ตลอดเวลา2ีกว่าปีแม่ของท่านพระกุมรารกัสปะก็มีความระลึกถึงลูกชายไม่ได้พบหน้ากันเลยแม้ว่าจะได้ข่าวว่าพระกุมรารกัสปะบวชก็ไม่ได้พบหน้ากันก็ แ, แต่ไม่ได้ความคิดถึงจนกระทั่งได้มาเจอพระกุมรารกัสปะบนถนนด้วยความบังเอิญก็ดีใจมาก และกุมารกสปะท่านรู้ว่าถ้าโยมแม่นี่ยังมีความพวงหาอะไรในลูกชายก็คงจะไม่มีทางที่จะก้าวหน้าในการปฏิบัติได้ก็เลยพูดด้วยถ้อยคำที่รุนแรงต่อว่าแม่ว่าเนี่ยมาทำอะไรอยู่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 จนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เรียกว่าทั้งแม่ทั้งลูกนะได้บรรลุธรรมได้ที่แรกแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกคือพักกุมารกัสปะแต่ว่าในที่สุดนะพักกุมารกัสปะนี่แหละหนะ้าที่ทำให้แม่นี้ได้พบพระธรรมโดยที่ตัวเองอาจจะไม่รู้นะว่าอันนี้เป็นอุบาย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 ก็มีชันน่ า, น า, าเนี่ยกับม้าคันธกะเนี่ยออกจากวังไปด้วยกันและเมื่อพระเจ้าได้เสด็จกลับกรุงกบิลพัทนะชันน่านี่ก็บวชพร้อมกับพระญาติจำนวนมากรวมทั้งพระอานนท์พระเทวทัตพระปฏิยะพระอนุรุทธะส่วนใหญ่ทุกท่านที่กล่าวมา้ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลาไม่นานยกเว้นพระเทวทัต ส่วนพระชั้นนั้นนี่ก็ร้ายไม่เบานะเพราะว่าเห็นว่าตัวนี้เป็นคนสนิทของพระพุทธเจ้ารู้จับรูเจ้าตั้งแต่ยังเล็กนะตั้งแต่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ถือตัวไม่ฟังคำแนะนำสั่งสอนของพระที่มีอาวุโสมากกว่าถือตัวเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถูกพระุทเจ้า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 พระรูปเจ้านี่ปรับอาบัตหลายครั้งก็ไม่ได้ผลนะจนกระทั่งก่อนที่พระเจ้านี่จะปรินิพพานนี่พระชนนะนี่ก็กล่าวจวงจากพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระรูปเจ้าก็เลยฝากฝังพระอานนท์ว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วขอให้ทรงเนี่ยลงพรหมทันลงพรหมทันพระชนนะ พอพระเจ้าบริณิพานก็พระนรินท์ก็ทําตามอันนี้เป็นคําสั่งสุดท้ายคําถังท้ายๆในของพระพุทธเจ้าให้หลวงพรมทัทธรัชชนะพระนรินทร์ก็เดินทางไปยังเมืองโกสัมพีโกสัมพีนี่เป็นเมืองที่มีพระเด็ดๆ เ, เยอะนะไปถึงก็ไปหาพระชนะรู้จักกันมาตั้งแต่ ตั้งแต่เล็กแล้วนะสองท่านเนี่ยแล้วก็ถึงตอนนั้นก็ยุตปดสิบกันทั้งคู่แต่พระฉันน่านี่ก็ยังยังไม่มีไม่มีความที่จะรู้สึกสำนึกผิดเลยพระนนท์ก็บอกว่าเนี่ยสงลมพรหมทันแล้วพระชันนาถามว่าพรหมทานคืออะไรว่าอันนท์ก็ตอบว่าเนี่ยก็คือพระทั้งหลายทั้งสงทั้งคณะนี่ไม่ ไม่พูดไม่คุยไม่นั่นนำสั่งสอนก็เรียกว่าเหมือนกับภาษาสมัยใหม่เรียกว่าบอยคอร์ตนะบอยคอร์ตคือความบาทแต่ความบาทปกติใช้กับคารวาสนะพระใช้คารวะแต่เดี๋ยวนี้เราใช้ทั่วไปก็คือไม่คบคาสมาคมด้วยพระฉันน้่นนี่เป็นลมเลยนะพอรู้ว่าเจอโทษนี้เป็นลมฟื้นขึ้นมาก็เป็นลมอีก3ครั้งนะลง้งด3ครั้ง ถึงตอนนี้แหละเริ่มสำนึกผิดแล้วแล้วก็หันมาภาคเพียรในการปฏิบัติสุดท้ายก็จะเป็นรูปธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็เรื่องรักษากับภิกษุณีที่เป็นมารดาของพระกุมารกัสปะนะคือต้องเจอทุกข์นะต้องเจอสิ่งที่มากระแทกใจทําให้เกิดความทุกข์ใจทําให้เกิดความผิดหวังทําให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดถึงจะ หันเข้าหาธรรมะดังความทุกข์นี่มันมีประโยชน์นะมีพระอาหารหันต์หลายท่านนี่ท่านบรรลุธรรมแล้ก็เพราะความทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอนะแต่พอเจอแล้วนี่ก็ก็สามารถที่จะหันเหไปในทางที่ถูกได้หลายท่านก็สูญเสียนะสูญเสียลูกสูญเสียคนรักอย่างนางปตัจารานะสูญเสียลูก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 ความทุกข์ก็คือความสูญเสียพัดพรากจากคนรักของรักน้ําตาที่เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจชาดแล้วชาดเรานี่รวมกันแล้วนี่มันเท่าๆกับมหาสมุทรเลยมหาสมุทรนี่ก็เปลี่ยนเหมือนกับน้ําตาที่หลั่งออกมาจากความเศร้าโศกเสียใจเพราะสูญเสียคนรักตรงนี้แหละที่ทําให้นางปตัจลานี่เกิดปัญญาเห็นธรรมขึ้นมา คือถ้าไม่ไมเจ็บไม่ปวดไม่ไม่เจอความพลาพภาดสูญเสียก็คงจะไม่ซึ้งถึงความจริงข้อนี้นางกีสาวกตธอมีก็เช่นเดียวกันเสียแค่เสียคนเดียวแต่ว่าก็เสียสูญไปเลยลูกกำลังน่ารักนะต้องมาตายอย่างปัจจุบันทันด่วนทำใจไม่ได้นะปุ่มศพลูกไปให้ใครช่วยก็ไม่มีใครช่วยได้ก็คงมีแต่พระเจ้า เรื่องนี้สรุปง่ายๆนะตัดให้สั้นลงก็คือว่าในที่สุดนะพุทธเจ้าก็ได้พูดสอนให้นางใดตนักว่าเนี่ยความความตายเป็นธรรมดานะของของชีวิตนะถ้าไปยึดติด ถ, ถือมั่นในใครก็ตามนี่ก็จะถูกความตายนี้มันท่วมทับเอาท่านก็เปรียบเหมือนกับว่าน้ำป่าเนี่ยพัดพาเอาชีวิตของผู้ที่หลักหลายชั้นใดนะ พยายามาจุรายก็พัดพาผู้ที่หลงไหลในรูปในคนรักในทรัพย์สมบัติฉันนั้นนางกิสาโกตมีก็บรรลุธรรมเลยคือถ้าเราแค่ฟังโดยที่ไม่ได้ประสบความสูญเสียก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าคนที่ได้ประสบความสูญเสียมาเนี่ยพอได้พอได้ฟังทำแค่นี้ก็เหมือนกับว่าสะกิดเอาผงจากในตาออกไป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 แต่ก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาโดยเพราะตอนสุดท้ายก็คือตอนที่ได้เห็นนางสนมกำนันหญิงรับใชน้นี่นอนกายกันที่เคยเห็นสวยงามในเวลาร้ารำขับกล่อมดนตรีแต่พอนอนหลับแล้วอนอนกายกันในพระไตรปิฎกก็ว่าเหมือนกันบซากศพเลยคือนอนกายกันไม่เป็นระเบียบ บางคนก็น้ำลายยืดบางคนก็ทำท่านี่ดูไม่นั่งไม่งดงามเท่าไหร่ฉันจะสกุลบุตรก็รู้สึกเลยนะว่าโอมเบื่อเดินออกจากบ้านไปเลยนะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอวนไปอย่างนี้แหละแต่ว่าพอเจอพระเจ้านะที่ป่ายิบปัฒานุกัตถายวันโครงแสดงธรรมไม่นานนะพญสกุลบุตรก็ ท่นานจะสกุบุตรก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระโสดาบัน น, นี่พะมีความเบื่อความน่ายนะความไม่สมหวังเป็นตัวผลักท่านน้อยนะที่จะที่จะบรรลุ ธ, ธรรมได้แบบสบายๆหรือว่าแบบที่อ่ยิ่งถ้ามีความสุขความเพลิดเพลินนะในกามด้วยแล้วนี่ยากที่จะบรรลุ ธ, ธรรมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเจอความทุกข์เนี่ยอย่าไป อย่าไปกลัวมันมากเกินไปเพราะว่าความทุกข์นั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เคราะห์ก็ได้ดูเหมือนว่ามันเป็นเคราะห์แต่ว่ามันกลายเป็นโชคที่ทำให้เห็นธรรมขึ้นมาได้แม้กระทั่งคนในยุคนี้นะหลายคนก็ได้พบธรรมมากก็จากความเจ็บป่วยผู้ปติวัตงเป็นมะเร็งพบ้ปฏิวัตงเป็นเอดเนะก็ ทำให้หันเข้าหาธรรมะหรือบางคนอย่างที่เคยเล่าเนี่ยปล่อยวางไปได้เยอะเลยนะหลังจากที่ถูกผู้ชายเอาน้ำกรดสาดหน้าในขณะที่ยังสาวอยู่ เ, ยเคยภาคภูมิใจในความสวยของตัวเป็นดาวหมาวิเทไลยแต่พอโดนผู้ชายเอาน้ำกรดสาดหน้าตาบอดไปข้างหนึ่งทันทีแรกก็เสียศูนย์นะแต่ว่าตอนหลังก็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 บ่อยครั้งก็เกิดความเพลิดเพลินหลงไหลนะพอเพลิดเพลินหลงไหลแล้วก็ไอการที่จะเห็นธรรมนี่ก็ยากแต่ว่าพอได้เจอความทุกข์เจอความสูญเสียตาสว่างเลยเพราะว่าไอสิ่งที่มีทั้งหมดนะไม่ว่าเงินทองทรัพย์สมบัติมันช่วยอะไรไม่ได้เลยมีหมอคนหนึ่งซึ่งมาผันตัวเป็นนักธุรกิจตั้งแต่ยังสาว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 กลุ่มอกกุ้มใจแม้ว่าตัวนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นความรู้สึกแล้วว่าตัวนี้ไม่เหลืออะไรเลยถ้านั้งที่มีทรัพสมบัติมีเงินมีทองมีเพชรนินจินดาแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองนี้ไม่มีค่านางเธอเล่าว่าสมัยก่อนนี่ก่อนที่ยังประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเวลาเอาเพชรเอาพลอยมามาดูเนี่ยมีความสุขเห็นเพชรเห็นพลอย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 ช่วยทาให้พ้นจากทุกข์ได้ไม่ใช่ทําให้สามีกลับมาแต่ว่าทําให้เห็นว่าทําให้รู้จักปล่อยวางเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็เสียลูกลูกอยากจะไปเรียนที่อินเดียทั้ง น, นที่อายุสิบแม่ก็อนุญาตให้ลูกไปเพราะว่าลูกนี่รับผิดชอบตัวเองได้ไปอินเดียได้ไม่กี่เดือนก็ประสบอุบัติเหตุจมน้ําตาย แม่ก็เสียใจแล้วก็โทษตัวเองนะว่าเป็นเหตุให้ลูกตายเพราะถ้าแม่แม่อ น, นุญให้ลูกไปลูกก็คงไม่ตายลูกก็ยังอยู่กับแม่ต่อไปโทษตัวเองนะว่าทําให้ลูกตายเสียศูนยอยู่หลายเดือนทีเดียวจนกระทั่งเพื่อนแนะนําให้ลองไปปฏิบัติธรรมพอได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมมากก็เข้าใจเรื่องกรรมเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม เข้าใจว่าแต่และคนมีกรรมเป็นของตัวเองก็ทําให้ยอมรับความตายของลูกได้แล้วพอได้ปฏิบัติทําได้เจริญสติก็ได้รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้เท่าทันความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางไม่ปล่อยให้มันมาทิ้นแทงใจสุดท้ายความรู้สึกผิดก็ขจางคลายไปสิ่งที่เกิดขึ้นความสงบเย็นความสงบเย็น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 แต่ว่าเธอคนนีนะ้เธอก็พูดได้เต็มปากนะเพราะว่าสิ่งที่เธอพบมันมันมันประเสริฐมากคือธรรมะใ่นความทุกข์มันมันมีคุณค่านะมันมีประโยชน์มากที่สามารถผลักให้เราเข้าหาธรรมหรือว่าสามารถที่จะเปิดใจของเราให้เห็นธรรมะเห็นธรรมะจนกระทั่งรู้จักปล่อยรู้จักวางได้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 เพื่อสายความลับยากลาบานี่แหละนะมาเปิดใจหรือฝึกใจให้เข้าถึงธรรมที่ลึกซึ้งมากขึ้นเข้าไปในป่านี้ก็มันก็เสี่ยงอันตรายนะสมัยก่อนนะเพราะว่ามันมีสัตว์เสือร้ายช้างงูหลวง ป, ปู่ชอบท่านเคยเล่านะหลวง ป, ปู่ชอบเนี่ยท่านท่านว่าท่านอยู่เมืองเลยเ้าเลาว่าเคยออกทุดงสมัยยังหนุ่มนะเข้าไปในปาน่า ป่ามันดงติดจริงๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าท่านตั้งที่ชาวบ้านเตือแล้วนะแต่ท่านก็ข ย, ยันเข้าไปแล้วก็ปรากว่าไปเจอเสือไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะเสือสองตัวเลยอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังท่านหนีไปไหนไม่ได้เลยนะแล้วก็หางแค่วาเศษเศษว่าเสร็ศษก็แค่สองเมตรนั่นเองใกล้ๆพอๆกับหรือใกล้กับเสาหนีกนะเสานี่ห่างกัประมาณสามเมตร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 พอได้สติเนี่ยจิตมันก็น้อมเข้าในจิตนี่มันไม่ส่งออกนอกนะส่งออกนอกไปนี่ไปเจอเสือก็ผวาจิตนี้ก็น้อมเข้ามาข้างในมาอยู่กับลมหายใจให้ความกลัวนี่มันเป็นตัวบังคับกดดันให้จิตนี้กลับมาแนบแน่อยู่กับลมหายใจได้ดีมากเบอกว่าไม่ไม่นานจิตก็เป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิ แล้วก็สงบเย็นอยู่เป็นเวลานานท่านไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเปิดตาอทีมันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วหลายชั่วโมงทีเดียวนะท่านบอกแล้วท่านสงบนีเป็นสมาธิเนี่ยอยู่ในท่า ย, ยืนสภายบาตรนะถือเรียกว่าการน้ำแล้วก็อุปกรณ์ธุดงเนี่ย พร้อมแต่ว่าเสือหายไปแล้วท่านก็ได้รู้แล้วโอ้จิตของเรานี่มันสามารถจะเป็นสมาธิได้แน่วแน่แนมากก็เพราะ น, นิสงของความกลัวนะครูบาอาจายรย์หลายท่านเท่าก็ประสบใช่มีประสบการณ์อย่างเดียวกันนะอย่างหลวงพ่อชยัยนะเจอเสือเป็นกัรในขาที่กําลังนั่งนั่งภาวนากลางค่ำกลางคืนปฏิกิริยาของจิตก็เหมือนกันนะ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 กังวลไปกุ้มใจไปมีประโยชน์หรือเปล่ามันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่แก้ได้หรือปัญหาที่แก้ไม่ได้นี่ไอ้ความกังวลนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยความทุกข์ก็เหมือนกันนะทุกข์นี่ไม่ได้มีไว้เป็นนะมีไว้เห็นไม่ได้มีไว้คร่ําครวญนะแต่มีไว้ใคร่ครวนแต่ใหม่ๆก็ใคร่ครวนไม่เป็นนละ้มันก็คร่ําครวนก่อน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 เพื่อได้ฝึกปลือว่าจะรับมือความทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเจอทุกข์ที่หนักกว่าเข้ามาที่จัดเดินธรรมยัตราทุกปีทุกปีเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดน้งสิ่งแวดล้อมอีกส่วนนึงก็เพื่อเป็นการปฏิบัตินะคือให้ให้ผู้เดินเนี่ยได้ไปเจอความทุกข์นะความทุกข์จากอากาศร้อนนะจากความหิวจากระยะทางที่ไกลจากชุมชนผู้คนที่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 ใจไม่เหนื่อยนะร้อนแต่กายใจสงบเย็นเหนื่อยแต่กายใจเบิกบานอันเนี้ย จ, จะฝึกได้ต้องไปเจอของจริงนะแล้วก็ถ้าจะเจอของจริงก็เริ่มต้นจากของจริงเล็กๆน้อยๆก่อนหลายคนเนี่ยหลีกเลี่ยงความยากลาบากแต่หลีกยังไงก็หนีไม่พ้นในสุดก็ต้องเจอและบางครั้งเนี่ยความทุกข์ที่มันถาโถมเข้ามานี่มัน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 แกก็ยอมรับมันว่ายังมีความความหลงความเพลิดเพลินในการมาสุขอยู่อยากกินอาหารที่อร่อยฟังเพลงเพราะอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆแกถามว่ามันผิดไหมก็ตอบว่าไม่ผิดหรอกนะถ้ า, ากว่าฟังเพลงก็ดีนะไปกินอาหารอร่อยอร่อยก็ดีในเวลาที่ไม่ใช่งานการ น, ะนอกเวลางานการนะ ทำอย่างนั้นไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันอาจจะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงก็บอกเข้าไปเนาะว่าเนี่ยอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะเนี่ยนะตอนนี้มันอร่อยเพลงก็เพราะมีความสุขแต่ถึงวันหนึ่งพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ย กินอาหารหรู้อาหารเลาแค่ไหนก็ไม่อร่อยแล้วฟังเพลงยังไงก็ไม่เพอแล้วเพราะว่าใจเนี่ยมันไม่ไปแล้วใจมันหดหูมันเศร้ามันกลัวนะเสื้อผ้าที่สวยนะก็ไม่ได้ช่วยทําให้หายทุกจากความเจ็บป่วยเพราะเป็นดะเร็งได้ถึงตอนนั้นถึงจะรู้ว่าไอ้กามาสุขที่เสดที่ลงไหลเนี่ยมันมีข้อจํากัด ก็เหมือนกับผู้หญิงที่เป็นหมอแล้วก็กลายเป็นนักธุรกิจแล้วก็ร่ำรวยจากธุรกิจ ต, ตอนที่มีความสุขดูเพชรมันก็สวยดีมีความสุขอิ่มเอิบใจแต่พ อ, อสามีทิ้งนะเพชรนี่มันไม่ช่วยละไม่ช่วยทาให้มีความสุขละมันมีค่าเสมอกับหินหรือกรวดธรรมดาต้นเองคนเราเนี่ยพอเจอทุกข์ที่เป็นของจริงนะ เช่นความสูญเสียหรือความเจ็บป่วยนี่ถึงจะรู้ว่าไอ้ทรัพย์สมบัติหรือว่าการมาสุขที่หลงไหลเนี่ยที่ให้เพลิเพลินเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้นอกจากช่วยไม่ได้แล้วนะบางทีมตัวมันเองอะทำให้เป็นทุกข์นะเช่นเพลิดเพลินในรถ ด, ดีใจที่มีความสุขการขับรถซื้อรถราคาแพงๆแต่แล้ววันนึ่งรถถูกขโมยไปหรือว่ารถนะมันเกิดถูกยึดไปเนี่ย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 อะไรที่ให้ความสุขกับเราสิ่งนั้นก็สามารถจะทําให้เราทุกข์ได้อันนี้ผู้เจ้าตรัสไว้นานแล้วนะสามาัยหนึ่งอะ่ะเคยมีการสนทนากันระหว่างเทวดากับพระพุทธเจ้าเทวดาบอกว่ามีบุตรก็สุขเพราะบุตรมีโคก็สุขเพราะโคผู้เจ้าก็ตอบว่ามีบุตรก็ทุกข์เพราะบุตรนะมีโคก็ทุกข์เพราะโคคือสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยมันสามารถจะพลิกตลัปัดกลายเป็นให้ความทุกข์กับเราได้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 มันมีข้อจํากัดมันไม่สามารถจะทําให้สุขได้แท้จริง2ตัวมันเองนั่นแหละที่ทําให้เป็นทุกข์ทำให้เป็นทุกข์ได้ถ้าไปหลงติดหลงไหลมันถึงตรงนี้แหละถึงค่อยสแสวงค่อยอยากจะสแสวงหาความสุขที่ประณีตความสุขที่ไม่อิงวัตถุสิ่งที่ไม่ใช่กาลมาสุขถึงแม้ว่าจะรู้นะจะมีจะรู้ด้วยเหตุผลใจต้องได้เหตุเพราะว่ากาลมาสุขนะมัน มันไม่ดีมีโทษนะแต่ถ้าไม่เจอของจริงนะมันก็ยั ง, ลงหลงไหลอยู่พอเจอของจริงเข้าก็จะรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ทางออกและไม่ใช่คำตอบมันต้องหาสิ่งที่ดีกว่านั้นคือความสุขที่ประเนี๊หรือความสุขจากใจที่สงบซึ่งสติสำคัญมากคำนี้ก็พูดกันเท่านี้น ะ, ะกราบพร